คนเรามันเกิดมาโดยอํานาจแห่งอวิชชาตันหาให้พากันเข้าใจวิถีชีวิตของตนเองอวิชชาก็ไม่รู้ไม่รู้จักทุกข์ไม่รู้จกั ก, จกเหตุให้เกิดทุกข์ไม่รู้จักความดับทุกข์ไม่รู้จักข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ ดังนั้น่ะจึงได้วนเวียนเกิดแก่เจ็บตายอยู่ในโลกอันนี้ถึงมันหลงสาคัญแล้วรูปกายนี่เป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขา <c oughs> มันสําคัญ <c oughs> สักเท่าไรเท่าไรมันก็ไม่ยั่งอยู่ยั่งยืนนานในที่สุดมันก็แตกทําลายลงแต่ดวงจิตนี่สีมันเป็นทุกข์เรื่องะไร มันเข้าใจผิดถ้ามันเข้าใจถูกรู้ว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ของเราอาศัยอยู่ชั่วคราวอย่างนี้นะอาศัยอยู่ชั่วคราวหมดเหตุปัจจัยแล้วมันก็แตกดับทําลายไปเทศนาเห็นอย่างนี้บ่อยๆเข้าก็คลาย ความยึดมั่นถือมั่นในรูปร่างกายในไปเรื่อยๆอย่นี้แหละมันจึงจะมองเห็นวันทางพ้นทุกข์ไปได้เรามาฝึกผลจิตใจที่ที่มันไม่รู้นะั่นนะให้มันรู้มันฉลาดขึ้นมาหมายเขาว่าอย่างนั้นแล้วก็เมื่อมันรู้ขึ้นมา ว่าร่างกายไม่ใช่ตัวตนแก่นสารอะไรอย่างนี้นะมันก็ทำตันหาให้น้อยเบาบางลงไปความทยานอยากต่างๆอันเป็นไปในทางบาปทางกรรมเวรมันก็ไม่ทำกันแหละไม่ว่าชาววัดไม่ว่าชาวบ้าน รู้แจ้งในร่างกายทนธรมเปจริงแนละ้วไม่ทำบาปไม่รู้อำนาจแก่ตัณหาความอยากไปในทางที่เป็นบาปเป็นกรรมเป็นเวรเป็นอย่างนั้นดังนั้นถึงว่าทุกคนขอให้พิจารณาดูเหตุปัจจัยแห่งชีวิตนี้เหตุที่เราจะได้มาสวยทุก มาได้เกิดมาแล้วก็มาปรับทุกขต่อกันอยู่อย่างนี้หนอหนึ่งคนหนึ่งก็เจ็บลงไปอ่อหนหนึ่งกับคนหนึ่งก็ถึงความวิบัติลตงไปแล้วก็ต้องวุ่นวายต้องรักษาดูแลกันช่วยเหลือกันอ่ไอ้อยู่นานไปไอ้ตัวเราผู้ช่วยคนอเหนื่อเนี่ยเอา้ากวิบัติลง ในที่สุก็ตายไปตายไปใน อ, อย่างนี้นี่ยมันมันไม่คิดมันไม่พิจารณากันคนส่วนมากนะอาศัยแต่ความอยากเป็นประมาณความอยากมันท่วมท้นจิตใจมันทำให้ความอยากได้ในหัวใจนั้นไม่มีเวลาอิ่มเลย เวลานี้ก็มีแต่อยากได้อยู่นั่นอันใดไม่มีก็อยากได้อยากให้มีเห็นคนอื่นเขามีตนเองก็อยากมีอย่างนี้นะหรือมีน้อยก็ไม่พอใจอยากได้มีมากทันมีมากขึ้นมาเท่านี้แล้วยังไม่พอก็ อ, อยากให้ได้มากไปกว่านี้ เมื่อเมื่อความอยากมันแรงกล้าขึ้นมาแล้วหาเอาโดยทางสุจริตไม่ทันอกทันใจก็หาเอาในทางทุจริตไปก็สร้างบาปสร้างกรรมไปกับพราะตัณหาเนี่ยกับอวิชชาความไม่รู้นี่เองความไม่รู้ว่าทําอย่างนั้นน่ะมันเป็นบาปเป็นโทษนําทุกข์ไปให้ทางในปัจจุบันและเบื้องหน้าอย่างนี้ มันก็ไม่รู้ไม่รู้อย่างนี้นะถึงได้ทำลงไปดังนั้นอันกิเลสตัณหาอวิชชาเหล่านี้นะมันเป็นเหตุให้คนทำกรรมดีกรรมชั่วกรรมชั่วมันให้ผลแล้วไม่มีอะไรจะมารบร้างได้มันต้องให้ผลไปจนหมดเขตของมันแต่คนทั้งหลายมัน มันไม่รู้นี่ยังเข้าใจว่าเก็บใครได้ป่วยลงบางรายที่เชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายนอกหลายก็ไม่ต้องไปหาหม อ, อ, อไม่ไปหาหมอแพทย์หมอยาไปหาหมอดูดวงชะตาราศีไปหาหมอสะดอกเพราะให้มา สะดอกเคาะให้นึกว่าทนมันเคาะร้ายมากมันถึงเก็บถึงป่วยเป็นอย่างนี้อ้าให้หมอดูมาเราเขามารียกเอาเงินเอาทองไปเยอะแยะเลย <c oughs> ถ้าหากว่าผู้นั้นมีกรรมเวรผลหลังตามมาสนองจริงๆแล้วหมอกี่หมอไปํำละสะเพิกมันก็ไม่มีทางที่จะหายได้ ไปกรรมจัดก็ไม่มีทางจะหายได้อย่างนี้คนเราไม่รู้มันจงเป็นอย่างนี้มันจึงดำเนินชีวิตไปในทางที่ผิดแสวงหาที่พึ่งอันไม่เป็นแก่นสารเลย<ม>เป็นงั้น <c oughs> เพราะฉะนั้นพุทธบริษัททั้งยมันควรจะรู้ควรจะฟังควรจะพิจารณาให้รู้ คำสอนของพระพุทธเจ้าให้ได้ไม่ใช่ว่าฟังเทศเอาบุญเท่านั้นแล้วเราไม่จาไม่ใส่ใจอะไรไม่เลยท่านแสดงเรื่องสำคัญสำคัญก็ไม่ได้ใส่ใจไม่จดจำอะไรนึวกว่าฟังเทศเอาบุญพระเอวังแล้วก็แล้วไปก็กลับบ้านไปแล้วก็ไม่มีความรู้ในทางศีลธรรมอะไรติดตัวไปเลยอย่างนี้ น่าเสียดายความรู้ความเห็นของคนเรามันเป็นอย่างนี้แหละยังว่าอืมอันบุญนั่นนะมันกดได้อยู่วันย่งค่ำเละเมื่อเราเจตนาเคารพต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แล้ ว, แ, ลวแต่ความรู้นี่นะถ้าหากว่าไม่ตั้งใจฟังไม่ตั้งใจจําเอาจริงๆริงมันจะไม่ได้เลยอมืมันเป็นอย่างนั้นเดิมมัน เมื่อมันไม่รู้มันไม่เข้าใจหลักปฏิบัติอย่างแท้จริงแล้วมันก็มันก็ปฏิบัติผิดไปอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละก็เจ็บไข้ได้ป่วยล้มก็กลัวล้มกลัวตายใครแนะนำให้อย่างไรก็ถามไปหมดผิดหรือถูกไม่รู้คิดว่าพิีกรรมที่ทำนั้นจะช่วยจนให้พ้น จากความเจ็บความตายอันนี้ไปได้ทัก็เข้าใจไปอย่างนั้นบางคนก็เข้าใจไปในสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นๆเพิ่มเติมเข้าไปอย่างสมัยทุกวันนี้นะหลายลทัทธิเลยที่เกิดขึ้นในเมืองไทยเพราะฉะนั้นขอให้พากันเข้าใจว่า ลัทิใดๆก็ไม่ประเสริฐเท่าพระพุทธศาสนาเลยฉะนั้นในฐานะที่เราเป็นคนไทยเป็นชาวพุทธไม่ควรที่จะไปหลงไหลไปในลัทิต่างๆเหล่านั้นเขาโฆษณา่าเหมือนกันเลยอย่างนี้นะก็อันพุทธอันเดียวกันนั่นแหละอย่างนี้นะก็เชื่อว่าเป็น พุทธศาสนาอันเดียวกันคนที่ขาดปัญญาขาดความใข่ควรแบบนั้นเรียกว่าศรัทธาจริตเชื่อตามผู้อื่นไปเฉยๆตนเองที่เกียจไข่ควรคพิจารณาเอาเพื่อนว่าเลยเพื่อนจุงไปไหนก็ไปเลย อันนี้ไม่ใช่ชาวพุทธแบบนี้นะขอให้เข้าใจถ้าเป็นชาวพุทธแ ท, ท้จริงแล้วจะไม่เชื่อง่ายงมงายเมื่อเรื่องใดๆมาถึงเข้าเช่นอย่างว่าท่านผู้นั้นนะเป็นผู้วิเศษนะท่านผู้นั้นศักดิ์สิทธิ์นะอย่างนี้นะเช่นพระอิศวนพระนารายพระวิษณุเจ้าแม่กวนอิม อะไรท่าหมาพร ม, มเจ้าพ่อนั่นเจ้าพ่อนี่มูนี่และวรัติโยเรอันมูนี่เกิดขึ้นในโยเรแต่ก่อนมูนิซึ่มเรี่ยวนี้มาเกิดมีโยเรเยขึ้นอีแล้วอันโยเรนี่เป็นของชาวญี่ปุ่น ม, มูนีซ่ซึมนี่เป็นเกาหลีใต้ มันเป็นอย่างนี้เออไอ้เราก็ไม่ดูหมิน่นไม่เหยียดยำ้ำลัทธิของเขาหรอกความจริงน่ะแต่ว่าเขาเห็นอย่างนั้นเขารับถือมาเขาก็เผยแผ่อย่างนั้นแต่คนไทยชาวพุทธเรานี่นะต้องใไขครวนต้องศึกษาให้รู้เท่า น, นั้นเลยเพรู้ว่ามันเป็นทางพ้นทุกิงหรืออย่างงี้นะเราจะเพิ่งไปเชื่อก้อน ถ้าเราศึกษาดูนักปราชญ์ในพุทธศาสนาท่านรับรองแล้ ว, ว่าเป็นทางค้นทุกข์จริงอย่างนี้จึงค่อยนับถือจึงพ่อปฏิบัติความความมุม่งหมายของการแสดงนี้นะเป็นอย่างนั้นถ้าได้ไปศึกษาหรือกับนักปราชญ์ในพุทธศาสนาที่ท่านปฏิบัติตงตามธรรมธามวินยัยคาสองมทลเจ้าแล้วเมื่อท่านพิจารณาดูแลเห็นว่า มันไม่โกงกับความสงนของพระพุทธเจ้าท่านก็บอกก็ไม่ใช่หนทางพ้นทุกข์เมื่อท่านแนะนาอย่างนี้แล้วเราควรเชื่อเพราะว่าพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าที่ท่านปศึกษาเราเรียนทำ ม, มวินใอท่านจดจำเอาได้แล้วท่านลงมือปฏิบัติท่านย่อมรู้ผิดรู้ถูก รู้ว่าทางนี้เป็นทางผิดรู้ว่าทางนี้เป็นทางถูกอย่างนี้นะท่านย่อมรู้ดีแล้วถ้าพูดอีกในหนึ่งนะศาสดาใดในโลกอันนีจ้จตเส ม, มอเหมือนหงพระองค์สมเด็จพระสมรัสมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีไม่มีในยุคใดสมัยใดก็ตาม แต่นั้นไอ้ชาวพูดธเรานะขอให้พากันอุทิศชีวิตบูชาพระพุทธเจ้านี่พอแล้วไม่จําเป็นต้องไปหลงไหลนะกับควความโฆษณาชวนเชื่อว่าผู้นั้นวิเศษนะผู้นี้วิเศษต่างอย่างนี้นะไม่ไม่จําเป็นนะอืออันบุคคลใดถ้านะยังไม่สิ้นกิเลสยังละ ก, กิเลสไม่หมดแล้ว จะเป็นผู้วิเศษไม่ได้เลยอืมผู้วิเศษในโลกนี้นะ่ะมีแต่พระพุทธเจ้ากับพระอระหันต์นั่นแหละแล้วก็พระอณคามีพระสกิตคามีพระโสดาบันอั น, นาทางกวิเศษโดยเอกเทศอันนี้แต่พระพุทธเจ้าและพระอระหันต์แล้วเป็นผู้วิเศษสุดเต็มร้อยเปเซนเลยอื อ้าวท่านผู้ใดเป็นผู้บวชอุทิศ ต, ต่อพระพุทธเจ้าแล้วละอาสวักคิเลสหมดสิ้นไปแล้วท่านผู้นั้นควรนับถือโดยแท้สาวุทธเรามันต้องศึกษาอย่างนี้เพราะว่าเรื่องศาสนานี่นะพระพุทธเจ้าสร้างบารมีมามากเขามา ก, มากจนเต็มแล้วก็ได้ตรัสรู้ พระ อ, องค์ละอาสวะกิเลสหมดสิ้นไปแล้วพระ อ, องค์ไม่มีทุกข์อยู่ในพระไทยบัดนี้ก็สงสารสันโลกจึงได้แนะแนวทางข้อปฏิบัติให้ผู้สนใจในคำสอนของพระ อ, องค์ได้ไปประพฤติปฏิบัติตามท่านผู้มีวาสนาบาบรมีแก่กล้าเต็มที่แล้วพอถ้าปฏิบัติไปไม่นานท่านก็ละอาสวะกิเลสให้หมดสิ้นไปได้จริงๆ อย่างเป็นลูกเศรษฐีอย่างนี้นะมีเงินตั้งเป็นหลายโกรธสละบบ้านเรือนออกขวดแล้วเมื่อท่านบาเพ็ญไปํำระกิเลสให้หมดสิ้นไปแล้วท่านก็ไม่ศึกหาราเพรศไปครองเรือนอีกเลยทัางที่ถึงศึกออกมาท่าก็ไม่ยากไม่จนอะไรมีเงินทองเหลือร้นอันนี้แหละเป็นเครื่องแสดงให้เห็นแล้วว่าท่านละอาสวกิเลสหมดสิ้นไปจริง เช่นนั้นนะแต่จึงได้ชื่อว่าเป็นผู้วิเศษในพระพุทธศาสนานี่นะท่านยกย่องท่านพุระอาสวะกิเลสนั่นแหละหมดสิ้นไป น, ะนะั่นแหละท่าเป็นผู้ประเสริฐ เ, เป็นผู้วิเศษเป็นบุคคลที่ควรยกมือไหว้ควรกราบโดยเป็นจางข้าพนิพคือนั่งคุกเข่าสองแล้วก็แขนแขนสอกสอง ศีรษะหนึ่งก้มลงให้ลาบลงไปที่พื้นอันนี้ท่านเรียก ว, ว่าเบนจางข้าผวผิดเนีวนกราบด้วยความน้อมน้อมจริงๆอย่างนี้นะเป็นบุคคลควรรับนิมนต์ไปฉันในที่ต่างๆในบ้านในช่องก็ดีเป็นบุคคลที่ควรรับทัยทานชาว บ, บ้านที่มภูมิศตาให้ทาน เมื่อท่านรับไปแล้วผู้ให้ก็ได้รับผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยอย่างนี้พระพุทธเจ้าเป็นพักคินียบุคคลเป็นบุคคลที่ควรถวายควรถวายพักคินียทานโดยแท้นี่นะท่านผู้ใดยังมีกิเลสปัญหาหนาแน่นอยู่นี่ ยังลา ก, กิเลสไม่ได้ยังปรารถนาชื่อเสียงเกียรติยศอะไรท้ออะไรอยู่แล้วยังเห็นผิดเป็นชอบอยู่ยังไปถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายนอกมาเป็นที่พึ่งอยู่ออย่างนี้จะเป็นผู้วิเศษไม่ได้เลยแสดงว่ายังไม่สิ้นกิเลสเลยอเป็นงั้นผู้สิ้นกิเลสแล้วท่านเคารพเจริพระพุทธเจ้าพระธรรมประสง เท่านั้นเลยไม่ไปเคารพอย่างอื่นเลยอ ย, อย่างนั้นพุทธศาสนิกชนนะ่ะควรจะพากันพิจารณาให้ดีก็ทุกวันนี้ละที่ต่งตางๆระบาดมากเอาเลิกเกินนะอาจจะเป็นใครก็ตามแหละที่พูดนี่นะว่าแต่คุน้นันละกิเลสให้หมดสิ้นไปแล้วนั่น เป็นบุคคลที่ควรเคารพเับถืออย่างจริงแต่ที่นี้มีหลักเกณฑ์อยู่ว่าถ้าภูนละอาสวะกิเลสหมดสิ้นไปแล้วจริงๆถ้าไม่บวชเป็นพระภิกษุสาวกของธิเจ้าก็ดับผลเข้าถูนิพพานเลยจะอยู่ในเพศคฤหัสถ์นั้นไม่ได้เลยอย่างนี้ถ้าหากว่าท่านพุทธ ทำละอาสวกักิ์เกเรทให้หมดสิ้นไปนั้นท่านพิจารณาเห็นว่าอายุของท่านยังอยู่เช่นนี้ท่านก็จะขอบวชเลยกับพระาศาอย่างนี้นึกขอบวชกับพระอาราหันต์ที่ท่านฟังคำสอนแล้วได้บรรลุมรรคธรามมิเศตนั้นเมื่อท่านได้บวชทรงภากาสอภาัแล้วก็จึงมีชีวิตอยู่ไปได้ นี่เป็นคุณลักษณะของพระอระหรันต์ต้องเข้าใจไว้ไม่ใช่ว่าพูดสิ้นกิเลสแล้วยกเป็นครรืหัดอยูออ่นุ่งดำห่มดอยูยอย่างนี้แล้วก็เที่ยวไปให้คนกราบคนไหว้บูชาว่าฉันเป็นพระอระหันต์ไอ้อย่างนี้ผิดจากหลักคำสอนของพระเจ้าเลย ชาวพุทธเราควรจะเรียนรู้ไว้อย่างนี้พระสงฆ์สามกของพระติเจ้านั้นเมื่อท่านปฏิบัติดีปฏิพศปฏิปฏิบัติชอบตามธรรมวินยัยและอย่างนี้ท่านไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนเลยท่านไม่ได้ไปหลอกลวงใครให้เสียเงินเสียทองอย่างนี้อันลทัทธิต่างๆเท่าที่ฟังมาน่นนะ เอเอผู้ใดจะเข้ารีดเขาต้องเสียเงินเนี่ยอย่างนี้ท่องคนละเท่านั้นเท่านี้ไปเลยอย่างนี้ในเะท่าที่ศึกษาสะดับต่อฟังมาอจึงจะเข้ารีดของเขาได้อืมเป็นอย่างนั้นสําหรับพระพุทธศาสนานี่ไม่เป็นอย่างนั้นนี่ใครมีศรัทธาเรื่มใสเราได้ดอกไม้ธูกเทียนมาบูชาพระรัตนกายแล้วก็ มากล่าวคำปริ ญ, ญาณจนถึงพระพุธะทธธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นดีพึ่งตลอดชีวิตต่อหน้าพระสงฆ์เสียอย่างนี้แล้วก็เป็นชาวพุทธไปเลยไม่ต้องเสียเงินเสียทองอะไรนะอย่างนี้นะก็พากันเข้าใจไว้ถ้าหากว่าพระสงฆ์เราใดไปเรียกเอาเงินเอาทองกับ ทายุกทายกคาผู้แสดงตนเป็นอุปติกวิิกาอย่างนี้นยก็นับว่าไม่สมควรเลยไม่ใช่พระสงฆ์ที่ปฏิบัติตรงตามคำสอนของพระเจ้าเลยอย่างนี้เนี่ย <c oughs> ต้องเข้าใจไว้เรากูนับถือบริศาสนาต้องศึกษาให้เข้าใจว่าบุคคลไหเป็นบุคคลที่ควรกราบกวไหว้ ควรเคารพสักการะบูชาอย่างนี้เราต้องศึกษาให้เข้าใจโดยแจมแจ้ ง, จงไม่ใช่ว่าเราจะไปเชื่อตามจะข่าวลือเท่านั้นนะไม่ถูกต้องเลยข่าวลือเนี่ยมันมันลือไปทั่วแหละคนดีมันก็น ล, ล, ลือไปคนชั่วมันก็นลือไปก็เพราะเหตุว่ามัน เขาวงหาเงินห้าทองกันแบบนั้นคนบางพวกบางเหล่านะแล้วก็ยกคนใดคนหนึ่งเป็นผู้วิเศษต่เที่ยวโคษสนาลงไปอย่างนี้นะ <c oughs> ใอ้คนลังไหลไปหาอ่าล้วก็มีพิธีแปลกๆอะไรอนะันเนี่ยคนเรายอ่อมมีเคามีเข็นตรงสะดอกเค้า อ, อย่างนั้นแล้วก็จะอยู่สุขสบายดีง ไปเชื่อตามเขาก็ไปเสียเงินเสียทองให้เขาไปอันมนี้ชาวพุทธเรามันควรจะรู้ไว้ควรเรียนรู้ว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงสอนไม่ได้ทรงแนะนำสั่งสอนให้ไปนับถือลัทธิประเพณีอะไรต่างๆในโลกนี่สารพัดมีร้อยแปดพันอย่าง พระพุทธเจ้าทรงสอนว่าและทรงถามนะทรงถามคนบางพลุ่มแต่ครั้งนั้นนะพวกท่านทั้งหลายจะสำคัญว่ายังไงอะ่ะเมื่อบุคคลมีความโลภความโกรธความหลงแล้วสามารถฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดในกาม กล่ามวมุนสาวาตื่มสุราเมลัยกัญชายาฝิ่นเฮโรอีนได้ไหมอย่างงี้นะไอคนนั้นก็ตอบพระองค์ว่าเมื่อบุคคลใดมีความโลคเป็นต้นแล้วสามารถมีการทำบาปาลาดเป็นต้นได้พระเจ้าข่าอย่างงี้น ะ, ะเมื่อบุคคลใดไม่โลกไม่โกรธไม่หลงแล้ว เขาสามารถที่จะเว้นจากฆ่าตัดเป็นต้นนั้นได้ไหมได้พระเจ้าค่าเอ อ, อ, น, น, เ อ, อนี่แหละท่านทั้งหลายจงเข้าใจไว้ศาสตราได้ครูได้สอนให้ละความโลภด้วยการบริจาคทานให้ละความโกรธ ด, ด้วยการรักษาศีลให้มั่นคงให้ละความหลงด้วยการภาวนา สมาธิออมอย่างนี้แล้วกิเลสปาประธรรมนั้นมันจะน้อยเบาบางออกไปจา ก, ก จ, จิตใจเมื่อเมื่อศาสดาได้ครูดได้สอนอย่างนี้นะนับว่าถูกทางแล้วท่านทั้งหลายจงนับถือท่านพวนั้นเป็นครูเป็นอาจารย์ อ, อย่างนี้เมื่อพระองค์เจ้าทรงแสดง ทำแนะนำสั่งสอนอย่างนั้นพวกการามชนในหมู่บ้านที่พระ อ, องค์ไปพักนั้นก็พร้อมใจกันปฏิ ญ, ญาณตนถึงคุณพระพุทธธรรมพระสงค์เป็นที่พึ่งตลอดชีวิตเลยเพราะเขาสร้างศาลาไว้หลังหนึ่งเป็นที่พักของคนเดินทางของนักบวชทั้งหลาย อันนักบวชในรัตที่ต่างๆนั้นก็เดินทางมาพักที่นั่นเมื่อเขาไปสนนาปาศัยไถ่าถามต่างคนก็แสดงรัที่ของตนออกให้เขาฟังเอา้าอีกโมหนึ่งมามาพักเท่าเข้าไปหาเข้าไวเขาปรแสดงอันรัที่ของตนออกให้คนเหล่านั้นฟังล้วนแต่ไม่ตรงกันไม่เหมือนกันนะเขาก็เลยสงสัยแนะว่าเอ๊ะ ไออย่างนี้ไม่ทราบว่าจะนับถือรัฐิใดผรูใดอาจารย์ใดมันถึงจะถูกต้องมันจึงจะเป็นทางพ้นี้เมื่อมาพบ菩พ萨สดานี้พระองค์ทรงสั่งสอนเอาอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละทรงตั้งปัญหาถามให้ตอบเลยคนเหล่านั้นถึงรู้ได้ว่าไอ้รัฐีที่นักบวดต่ตางๆ สอนมาหมู่นั้นไม่ถูกเลยเหราะนั้นไม่ไม่ไม่มีเหตุผลเพียงพ อ, อเช่นนั้นเขาจึงไม่นับถืออะไรบ้านีลเขามานับถือแต่คุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นพี่พึ่งเท่านั้นแล้วเขาก็บําเพนทานรักษาศีลภาวนาฟังธรรมไปมก็เป็นการสั่งสมบุญกุศลให้มากขึ้นโดยลำดับไป อย่างนี้พระพุทธเจ้าทรงสอนว่าไม่ไม่ควรเชื่ อ, อทรงสั่งสอนว่าไม่ควรเชื่อโดยอาการสิบอย่างนั้นนะนี่แหละพระองค์เจ้าสอนว้วยทรงสอนว่า ไม่ควรเชื่อตามข่าวลือๆลือตามๆกันมา บ, นบางทีมันก็จริงบางทีก็ไม่จริงอันข่าวลือนี่นะอย่างนี้นะแล้วไม่ควรเชื่อว่าควรทําตามเยี่ยงอย่างที่บรรพบุรุษเคยพาทํามาอย่างไงก็ทําอยู่อย่างนั้นอืนี่นะ ไม่ควรเชื่อโดยการคาดคะเนเอาเดาเอาอย่างนี้ไม่ควรเชื่อโดยสำคัญว่าผู้นี้เป็นครูของเราแล้วท่านแสดงอะไรออกมานึกว่าเป็นความจริงแล้วก็เชื่อไปเลยอย่างแม้แต่ผู้เป็นครูเป็นอาจารย์สั่งสอน พระองค์ก็ยังแนะน่นให้เชื่องง่ายๆก่อนต่เมื่อท่านแสดงออกมาแล้วเราสะดับตับฟังแล้วได้ปฏิบัติตามได้รับความสุขความสงบจริงในความรู้ความฉลาดในเหตุผลเหล่านั้นจริงๆเอออย่างนี้จึงค่อยนับถือว่าท่านผู้เป็นครูเป็นอาจารย์นั้นดำเนินทางที่ถูกต้องแท้เออ ปัญ น, นั่นแหละพ่อองค์เจ้าสั่งสอนนะโดยที่ว่าไม่ควรเชื่อปรมปราหมายความว่า ง, งั้นเนี่ยต้องเชื่อให้มีเหตุมีผลที่ว่าในสมบัติอุบาส ก, กะนะมีศรัทธามั่นคงในพระพุทธธรรมประสงค์แล้วก็มีศีลบริสุทธ ไม่ถือมงคนตื่นข่าวคือเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมไม่แสวงหาเหตุบุญนอกกุศลศ า, าสนาแสวงหาแต่เหตุบุญทำบุญแต่ในพระพุทธศาสนานี่นั่นพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้นี่เรียกว่าคุณสมบัติของผู้เป็นอุบาสกอุบาสิกาต้องพร้อมด้วยห้าอย่างอย่างนี้อืม พุทธบริษัทควรเรียนควรจำเอาไว้ข้อสำคัญแท้ๆแล้วการที่มีศีลบริสุทธินะนี่นับว่าเป็นหลักของบุทธศาสนาโดยแท้ถ้าว่าผู้ที่จะเป็นนับถือลทัทธิใดาศาสนาใดหรือนับถือบุรธศาสนานี่ก็ตามนะแต่ถ้าไม่ยินดี ที่จะรักษาศีลได้บริสุทธิ์ไม่ได้ตั้งเจตนาวิรัติละเว้นจากบาปกรรมคมชั่วที่พระพุทธเจ้าทรงห้ามไว้นั้นนะการนับถือบุริษศาสนาก็ได้ผลน้อยเดียวเรียกว่าไม่ไม่พ้นทุกข์ได้กพูดแล้วพูดง่ายอย่างนี้ก็แล้วกันเลยไหมพ้นทุกข์ไปไม่ได้ถ้าคนไม่รักษาศีลแล้ว ก็ทํำบาปทากรรมเรื่อยไปจนตลอดชีวิตอย่างนี้นะแล้วตายแล้วมันจะไปเปิดตัวตกนรกมันจะไปที่ไหนอะ่ะอืมเป็นแค่แค่ทําบุญทำทานเท่านั้นเนะ่ยไม่สามารถที่จะช่วยบุคคลให้พ้นจากนรกได้เลยถ้าไม่รักษาศีลในบริสุทธนะิ์เลยเป็นงนั้นแล้วเราจะไปนับถืออ้อนนอนสิ่งศักดิ์สิทธ ภายนอกศาสนานณะคอยช่วยตัวในพ้นทุกพ้นภัยไม่มีทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่นั้นต็ยังไม่พ้นทุกยังต้องเที่ยวเกิดเที่ยวตายอยู่นี่มันจะไปช่วยใครได้อยู่นั้น mm hmm. ข้อสาคัญเราต้องช่วยตัวเองนี่แหละอย่างนี้นะ mm hmm. เราต้องช่วยตัวเอง mm hmm. คือไม่ทำความชั่วนี่แหละทำมาช่วยตัวเอง แล้วพยายามทําแต่ความดีที่ให้เป็นประโยชน์ตนแต่ถ้าหากว่าจะให้ได้บรรลุถึงเสื่อมวิญญานจริงๆแล้วมันต้องนับถือพระพุทธศาสนานี่โดยตรงบบนี้นะต้องอุทิศตนต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงต้องปฏิบัติตามคำสอนพระพุทธเจ้าคือสินสมาธิปัญญาอันนี้โดยตรงเลยเนี่ยถึงจะ บรรลุพรนิพพานได้แต่แค่สวรรค์นี่ให้พวกฤาษีชีพัยรักษาเพียงสินห้าสินแปดเท่านั้นเขาไม่ทำบาปและเขาภาวนาเพ่งกสินได้สำเร็จกสินชาญแล้วตายแล้วก็ยังไปเกิดพมลโลกได้ถ้าหากว่าผู้ที่ไม่สำเร็จถึงกสินชาญ เพียงเขามีสินห้าบริสุทธิ์เท่านั้นตายแล้วก็ไป เ, เกิดสวรรค์พวกฤาษีชีภัยหมู่นั้นเขาไม่ได้นับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นอย่างนี้เหตุนั้นจึงว่าไอ้การที่บุคคลจะพ้นทุกข์ได้จริงๆนั้นสรุปแล้วจึงว่าต้องนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งโดยตรงเลย แล้วปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยความไม่ประมาทอ่ไม่อุทิศชีวิตต่อพระธิได้ต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดทั้งหมดในโลกอันนี้ให้เจะโฆษณาว่าวิเศษวิโสอย่างไรก็แล้วแต่แต่ผู้ที่มีปัญญายมมองเห็นว่าไม่มีวิเศษอะไรหรอกเพราะวาอาไรที่ใดวิธีใด่าช่วยเหลือคนได้หายเจ็บไข้ป่วยได้อย่างนี้นะ ไม่จริงหรอกไม่จริงไอคนจะป่วยบางคนน่ะมันจนจะหายอยู่แล้วไปหาหมอผีเข้าหมอผีเป่าพน่นทำท่านั่นท่านี่ห น, น, น, น่อยว่าหายไปว่าูหายเยอะหายด้วยหมอจริงอ่ะออย่างี้ารองโรคใครเขาเจ็บอย่างรุนแรงจริงดูเช่นโรคมะเร็งไงโรคผีดาดโรคเบาหวาน โรคเอด็ดเราไปหาดูสิผู้ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในโลกนี้จะช่วยได้ไห ม, มนีนะ่เพราะฉะนั้นชาวาพุทธเราไม่คนจะงมงายอ่ะเกิดแก่เจ็บตายนะเป็นกฎธรรมดาอยู่แล้วใครๆก็ยอมล่วงพ้นไปไม่ได้เมื่อเกิดมามีธาตุสี่ขันธ์ห้าอยู่ยนี่แล้วมันจำเป็นต้องได้ก้มหน้าตายไปเมื่อมันหมดบุญหมดกรรมลงไปแล้วนะ ก็เคยพูดอยู่กันยังว่าบุญกรรมที่นําคนออกมาตกนําจิตวิญญาณมาเกิดในรูปอันเป็นคนอย่างนี้บุญกรรมอันนั้นมันก็ไม่เที่ยงกันอย่างว่ามันมีขอบเขตถ้าบุญกรรมอันั้นมันหมดลงอในรูปนี้มันก็ตั้งอยู่ไม่ได้ใครจะไปสําระสนาอ้อนวนบูชายันอะไรสักกี่ร้อยครั้งมันก็ไม่สามารถจะช่วยให้ มีอายุยั่งยืนนานได้เลยอืมอย่างนี้นะแล้วคนมีปัญญาต้องพิจารณาเหตุผลนะนั้นแหละพระพุทธเจ้านะ่ะพระองค์เป็นผู้รู้แจ้งเห็นจริงในธรรมของจริงพระองค์เจ้าแสดงอริยสัจจะทำดั้งสี่พระองค์จึงยกยกทุกข์ในขึ้นเป็นบทบาทเบื้องต้นเลยสอนให้พุทธผู้ฟังทั้งหลายได้รู้จักทุกข์ในชีวิตนี้ คือเกิดมาแล้วมันแก่มันเจ็บมันตายความความแก่มันก็เป็นทุกข์ความเจ็บป่วยไข้ก็เป็นทุกข์ความตายก็เป็นทุกข์เกิดมาก็เป็นทุกข์พอเกิดมาแล้วมาหาเลี้ยงมันหาอาหารการบริโภคมาเลี้ยงมันหาผ้าให้นุ่งให้หม่มสร้างบ้านสร้างช่อ ง, ง, งให้อยู่อาศัย เ, เจ็บไข้ได้ป่วยลงหาหมอ ต้องเสียเงินให้หมอค่ารักสมรักษาต่งตางๆนานาหมูดนี้่ฮะลองดูที่ร่างกายอันนี้ที่ว่าเกิดมาจะไม่จะเป็นสุขล้วนมีแล้วมีทุกข์นั่นแหะมากกว่าสุขเนะี่อย่างนี้นะแล้วความจริงมีอยู่อย่างนี้เนีแล้วเรื่องอะไรจะไปพูดปั่นดินรนไปขอร้องอ้อนวอนในสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาช่วยตนอย่าให้ตนแก่ง่ายอย่าให้เจ็บงนะ่าอย่าให้ตายเร็ว มันจะได้อย่างไรของมันมีกฎเกณฑ์ของมันอยู่นะทุกสิ่งทุกอย่างนะมันมีเหตุมีปัจจัยอยู่หมดนะอในโลกอันนี้นะเอา้าสิ่งที่ไม่มีวิญญาณคลองเช่นต้นไม้ใบหญ้าอย่างนี้นะมันก็เกิดจากเหตุอะไรเหตุนะธาตุสี่ดินน้ำไฟลมประชุมกันได้สั ด, ดส่วนแล้วในที่ไหนเล้วพืชต่างๆย่อมเกิดขึ้นในที่นั้นอื ถ้าที่ไหนไม่ไม่มีธาตุทั้งสีไม่ไม่รวมกันไม่ได้สัด้ส่วนแล้วเพืชต่างๆมันก็ไม่เกิดขึ้นอย่างนี้ะอย่างเช่นหินทั้งก้อนอย่างนี้นะหินตันๆทั้งก้อนนี่เนี่ยมันจะมีอะไรไปเกิดอยู่นั้นอันนี้มันมันมีธาตุสี่มันยังไม่สมบูรณ์เป็นอย่างั้น บัดนี้คนและสัตว์นี่นะมันก็เกิดจากกรรมบัดนี้นะต้นไม้ใบหญ้าเกิดจากอุจุธาปะเป่าไม่ได้เกิดโดยโดยกรรมดีกรรมชั่วไอ้คนและสัตว์นี่เกิดจากกรรมดีกรรมชั่วตกแต่งให้เอากรรมดีกรรมชั่วมาจากไหนอมันได้ทํากรรมดีกรรมชั่วมาตั้ง่ชาติก่อนนู่นเมื่อกรรมดีกรรมชั่วอันนั้นหมดลงไปแล้ว ไอ้กรรมดีกรรมชั่วที่ทําเพิ่มเติมเนี้กน็นำดวงจิตมาเกิดในชาตินี้มาเกิดให้เป็นคนขึ้นมาอาศัยธาตุของมารดาบิดาอย่างนี้นะเดียวเมื่อเกิดมาแล้วก็อาศัยข้าวอาศัยน้ําอาศัยผ้านุ่งห่มอาศัยที่อยู่อาศัยอาศัยอยู่ายาอย่างว่านั่นแล้วก็อาศัยบุญกุศลที่ทํามาแต่ก่อน <c oughs> ช่วยรักษาไม่ให้ล้มให้ตายก่อนอืมเนี่แหละไอ้สร่างกายนี้มันจะอยู่ไปได้นะมันต้องอาศัยอย่างนี้ <c oughs> ไอ้ถ้าหากว่าหมดบุญหมดกรรมลงไปแล้วถึงแม้จะมีอาหารมีที่อยู่ดีๆยังไงมีอาหารดีๆยังไงมันก็ไม่มีประโยชน์เลยเมื่อบุญเก่าหมดลงแล้วนะ ทานอาหารก็ไม่ได้นอนก็ไม่หรอกร่างกายก็กระสอบกระใสเมื่อถึงเวลาบุญกุศลผลหลังสิ้นลงไปไม่ได้แล้วมันก็หมดลมหายใจลงไปเหมือนนั้นแล้วอย่างนี้นะเราจะไปสงสัยอะไรจะไปสงสัยว่าอะไรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดที่มาช่วยเหลือได้ไม่ควรนะเราเป็นชาวพุทธแท้ๆควรรู้ตามเป็นจริงอย่างนี้ พระพุทธเจ้าทรงแสดงวิถีชีวิตของคนเราเนี่แสดงตามความเป็นจริงเลยเพระองค์ไม่ได้สมมติไม่ได้ปั้นไม่ได้แต่งให้เกินไปจากความเป็นจริงไม่มีอะ <c oughs> เอาถ้าจะมีปัญหาขึ้นว่าไอ ถ้าหากว่าอาศัยบุญกรรมเป็นเครื่องตกแต่งแล้วแล้วทำไมคนเราถึงมีความเป็นอยู่ไม่เหมือนกันอย่างนี้นะเอาก็ต้องตอบว่าเพราะการทากรรมดีกรรมชั่วแต่ชาติก่อนนั้นไม่เท่าเทียมกันไม่เหมือนกันเลยความชอบใจแห่งการทำบุญกุศลก็ไม่เหมือนกันบางคนก็อยากชอบใจให้ให้ทานข้าว ด้วยของกลับอย่างนั้นอย่างนั้นบางคนแบบอยากจะให้ทานข้าวอาหารอย่างนู้นอย่างนู้นเอบางคนยังให้ทานผ้าสีแดงบางคนก็ชอบใจอยให้ทานผ้าสีเหลืองสีขาวอออะไรอย่างนี้นะนั่นแหละบางคนก็ชอบอยากให้ยานเป็นทานบางคนก็ชอบอยากให้อแสงสว่างเป็นทานอะไรหมู่นี้นะ มันไอความชอบใจของคนเราไม่เหมือนกันเลยนะไอคิดดูอย่างนี้ก็ได้กันแล้วบางคนก็ทํามากบางคนก็ทําน้อยอย่างนี้นะเวลาผลมันอานํานวยให้มันก็มากมันก็น้อยอ่ตามธรรมดาตามไอกําลังของบุญกรรมที่ทํามานั้นเองนะอย่างนี้อย่างที่ยกตัวอย่างให้ฟังว่ากรรมของคนเราเนี่นะมันทําลงไปเนะ่ อย่างพนางมาริกาอคคะเมษีของพระเจ้าประสีนิโกศลนี่ไปทูลถามพระพุทธเจ้านะเพราะว่าพนางมาริกานี้รูปร่างพลัำำ้มดั้มี่ร้ายไม่สวยงามเหมือนนั้นแต่มีปัญญาดีอืไปทูลถามพระองค์ว่าบุคคลเกิดมาในโลกนี่ทําไมจึงมีความเป็นอยู่แตกต่างกันบางคนกับรูปร่างที่ร้าย บางคนก็รูปร่างสวยงามบางคนก็มีอายุยืนบางคนก็มีอายุสั้นบางคนก็มีปัญญาเฉลียวฉลาดบางคนก็ไม่มีปัญญาอย่างนี้นะผ เ, เพราะเหตุไรหน่องนี่นะพระองค์เจ้าจึงทรงตรัสว่าบุคคลใดชอบโกรธชอบอิจฉาริขยาผู้อื่น อชอบดูหมิน่นดูถูกผู้อื่นม่อยบ่อยอย่างนี้นะบาปกรรมอันนั้นแหลยว่าตามตกแต่งว่าเกิดมาในชาตินี้ทําให้มีรูปร่างขี้ไร้ขี้เลยผิวคําผิวดําอืมไม่สวยไม่งามอย่างนี้เนละเป็นงนั้นกงกันข้ามบุคคลใดไม่ชอบอิจฉาหรือเสียผู้อื่นไม่ชอบดูถูกดูหมิน่นผู้อื่น ไม่ชอบนินทาว่าร้ายผู้อื่นมีจิตใจประกอบด้วยเมตตากรุณามีหน้าตายิ่มแย้มแจ่มใสไม่น่าบึ้งหน้าตึงตาะกับใครๆต่อใครมีแขกคนไปหากระต้อนรับปาสัยด้วยอัธยาศัยไมยตรีอันดีข่มอารมณ์ในใจไว้ได้ไม่งุดงิดไห่ฉุนเฉียวเช่นนั้นแล้ว บุคคลใดเกิดมาในโลกนี้บุญกรรมนั่นนามาตกแต่งให้เป็นคนมีรูปสวยรูปงามนี่จะจงว่าโทษแห่งความเป็นผู้โกรธนี่นะมันทําให้รูปร่างขี้ร้ายขี้เล่ไม่สวยไม่งามเลยเป็นย่งั้นบุคคลที่ไม่สนใจในการสดับปรบกังไม่ต้องการความรู้ความฉลาด ตนมีความรู้เท่าไรก็รู้อยู่เท่านั้นแหละไม่สนเลยผู้อื่นพูดในฟังก็ไม่เอาอย่างนี้เราเกิดมาชาตินี้ก็เป็นคนอัดอั้นตันปัญญาไม่มีความรู้ความฉลาดอะไรคงกันข้ามแต่แค่ ก, ก่อนบุคคลใดสนใจในการเรียนการฟังการท่องการจำเอาวิชาความรู้ต่างๆจากนักประชญาบัณฑิตอะไรอย่างนี้เกิดมาชาตินี้ อานิสงส์วกาส่งให้มาเกิดแล้วเป็นคนมีสติมีปัญญาเฉลียวฉลาดทั้งทางโลกและทางธรรมอย่างนี้เนี่ยคนมีปัญญาเป็นงนั้นให้เข้าใจเนี่นอย่าพากันเกลียดข้านในการสนับปรัอบฟังคำสอนพระพุทธเจ้าอย่าเกลียดข้านในการคิดการพิจารณาธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าให้รู้ให้เข้าใจแช่แจ้งไว้ในใจของตน มันจะเป็นอุปนิสัยปัจปจัยที่ตามไปเมื่อตอนยังยังไม่ถึงปานิพานไปเกิดไปในชาติใดก็จะเป็นคนมีสติปัญญาฟังคำสอนพระพุทธเจ้าเข้าใจได้ง่ายดีมีปฏิภาณโวหารตอคล่องแคล่วดีอย่างนี้นะไอ้ผู้มีอายุสั้นก็พอชอบ เบียดเบียนชีวิตของบุคคลอื่นสัตว์อื่นไม่เห็นโทษของการฆ่าสัตว์ัดชีวิตอย่างนี้แหละกำมันั้นแหละมันจึงมาตัดรอนเอาเกิดมาในโลกไม่ถัดอยู่ไปไม่ไนานถึงอายุไผตายแล้วบางคนก็ตหงหดงงินผู้มีอายุยืนยาวนา น, นก็โคลงกันข้ามแ้วไี้ เป็นผู้ไม่ชอบเบียดเบียนบุคคลอื่นสัตว์อื่นยิงอยู่เมื่อมันยังไม่รู้ก็เบียดเบียนมาแต่พอได้ฟังคําสอนพระพุทธเจ้าแล้วก็รู้แล้วอย่างนี้ก็ตั้งสัร จ, จะอธิษฐานละเว้นเลยไม่เบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นต่อไปตลอดชีวิตฮเช่นนี้เมื่ออธิษฐานแล้วก็สำรวมระวังกายวาจาใจเรื่อยไป ไม่ไม่ไปเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นใดอย่างนี้แล้วก็ทําบุญให้ทานเข้าน้าําโพชราอาหารไปอย่างนี้อา น, นิสงส์เหล่านี้เกิดไปชาติใดก็มีกําลังวางชาดีเพราะอา น, นิสงส์ให้เข้าน้ําเป็นทานมีอายุยืนยาวนานเพราะอา น, นิสงส์การรักษาศีลให้บริสุทธิ์ไม่เบียดเบียนคนอื่นสัตว์อื่นมันก็ไม่มีกรรมมีเวรอะไรมาตัดรอนชีวิตนี้ให้ ล้มให้ตายไปก่อนที่จะถึงอายุไขอเขาพระ เ, เจ้าทรงแสดงให้พระนางมานิกาฟังอย่างนี้เลยเหตุนั้นคำสอนของพระองค์เรื่องนี้เราจึงได้ปรากฏมาในหนังสือพระไตรปิฎกจนถึงทุกวันนี้แหอเพราะฉะนั้นจึงได้นำมาแสดงให้พุทธบริษัททั้งหลายฟัง เผื่อว่าผู้ที่ต้องการความสุขความเจริญแก่ตนแล้วจะได้ประพฤติปฏิบัติตามไปเมื่อปฏิบัติตามนี่มันต้องได้รับความสุขแน่นอนเลยทีเดียวเป็นอยางั้นก็ลองพิจารณาดูสิผู้มีปรรนะัญญาพิจารณาแล้วย่อมเห็นได้ชัดๆว่าที่พระองค์แสดงนี่นะย่อมเป็นไปได้จริงๆนี่ย่อมเห็นด้วยตนเองลนข้อนี้นะ แม่ผู้แสดงอยู่นี่ก็แน่นอนเชื่อแน่ร้อยเปอร์เซนตถ้าปฏิบัติตามนี้ได้แล้วย่งมเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยอายุวันลนะสุขะพระปฏิพาน์ทนสารสมบัติจริงๆเลยอ่าเป็นงนั้นแล้วทั้งเป็นอิสัยปัจจัยให้ได้บรรลุมรรคผลธรรมวิเศษอีกด้วยเพราะว่าบุคคลเมื่อสั่งสมบูรณ์กุศลมากๆเข้าไปแล้วนะ บุญกุศลนมรดดนบันดาลให้มีปัญญาเกิดขึ้นมองเห็นอัตภาพร่างกายนี้รวนแต่ไม่ยั่งไม่ยืนไม่เป็นแก่นเป็นสารอะไรเลยไม่สวยไม่งามเลยแล้วก็มองดูนอกร่างกายนี้ออกไปก็เหมือนกันมีสภาวะเหมือนกันหมดเลยอย่างนี้นะอ่าอันเนี้ยไอผู้ใดมีความรู้สึกนึกคิดขึ้นได้อย่างนี้แสดงว่าผู้นั้นมีบุญมากสมควรนะ ให้เข้าใจนี้แหละบุญนะมันย่อมหนูบุคคลให้ถอนตัวออกจากทุกไปโดยลําดับลําดับไปเป็นอย่างนั้นเมื่อผู้ใดมีความรู้สึกนึกคิดขึ้นอย่างนั้นแล้วก็อย่างว่านะพุทธศาสนานี่มันก็มีขั้นตอนนะอ้าวก็มีนักบวชมันนี่นะผู้ที่มีบุญหลายมันรุนใจในการคลองเรือนนะเห็นว่าการคลองเรือนนี่ มันลําบากมากแล้วก็มันมันชักจะเว้นจากบาปจากกรรมได้ยากเกินหนึ่งอ่าเราหนีไปบวชจะดีกว่าบวชแล้วเราจะได้สํารวมกายวาจาใจไม่ทําบาปไม่เบียดเบียนบุนคคลอื่นและสัตว์อื่นอย่างนี้นะแล้วก็มีโอกาสได้ภาวนาได้ฝึกฝนจิตใจให้สงบะงับมีโอกาสได้ฟังธรรมบ่อยๆ อ, อันเป็นบ่อกเกิดแห่งปัญญา มีโอกาสที่จะละอาสวะกิเลสให้น้อยเบาบางออกไปจากกิจใจได้ผู้ใดคิดเห็นได้อย่างนี้ก็มาบวชราะอย่างที่บวชกันอยู่นี่น ะ, ะสตรีก็ต้องบวชเป็นชีน่งขาวหมขาวโกนผมโกนคิ้วเพราะระเบียบนาพิสุณีนันะ้นหมดศูนย์ไป จากโลกมีแล้วจะไปบวชเป็นพระพิกษุตรนีสงฆ์ไม่ได้แล้วผู้หญิงก็จึงต้องบวชชีบวชขาวรักษาสินแปดเป็นนิ จ, จสินไปบำเพ็ญข้อว่าปฏิบัติไปนี่ผูกเป็นผู้ชายมานี่เมื่อมีบุญวาสนาบารมีแก่กล้าเมื่อกระโดนใจให้เบื่อหน่ายต่อความเป็นอยู่ในโลกอย่างที่ว่านั้นเนี่ย มองไปไหนก็เห็นแต่ทุกข์มองไปไหนก็เห็นแต่วความไม่เที่ยงเห็นแต่วความวุ่นวายหาความสงบระ ง, งับได้ยากอย่างนี้นะอะมองเห็นตั้งแต่วัดวาอารามนี่เป็นที่สงบสงัดไม่วุ่นวายผู้เข้ามาบวชอยู่ในวัดวาศาสานานี่ก็ล้วนแต่เป็นผู้เห็นทุกข์เห็นโทษภัยเหมือนกันเหตุนั้นบวชเข้ามาแล้วจึงไม่ กระทบกระทั่งกันไม่ทะเลาะวิวาดกันต่างคนต่างก็สำรวมกายวาจาแสงส่วนให้ตรงต่อธรรมต่อวินัยเรื่อยไปอย่างนี้แล้วการอยู่ร่วมกันมันก็ไม่เดือดร้อนในบันนี้นะมันก็อยู่ด้วยความสงบสุขทั้งร่างกายและจิตใจนี่ลองพิจารณาดูให้ดีนี่อนุภาพแห่งบุญิปุศลนทั้งนั้นแหละอันมุนี่นะี่ ่ะคนบุญน้อยเนี่ยมันก็มาอย่างนี้ไม่ได้มาทําอย่างนี้ไม่ได้เลยไม่มีความสามารถไอ้คนที่บุญน้อยให้มีเยอะในโลกนี้นะคนที่มีบุญมากมีจํานวนน้อยเต็มทนนะอะเพราะฉะนั้นเมื่อพุทธบริษัทได้สดับต่ฟังอย่างนี้แล้วก็ขอให้พิจารณาดูตัวของเราเองขอพิจารณาดูความประสงค์ของตนเองอให้รู้ให้เข้าใจ ขันเมื่อบุญของตนมีมากจริงนะมันก็โดนบัญจะดรันให้คิดเบื่อหน่ายในการอยู่ครองเรือนหลังที่กล่าวมาแล้วนะถ้าบุญของจนยังไม่มากพอมันก็ทำให้มีความยินดีในการครองเรือนอยู่นั้นแต่ไม่ทำบาปหาพยายามเว้นจากบาปจากโทษทั้งหลายให้ได้แล้วอย่างนี้ก็เป็นหนทางท้นทุกข์ไปภายในสงสารตามคำสอนของพระพุทธเจ้าได้จริงๆ ดังแสดงมาขอยุติลงเพียงเท่านี้